ใช้สมมติบัญญัติอธิบายประมบถบัญญัติในขณะที่เกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้ความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ตั้งใจคิดโดยเจตนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้สภาวะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือความรู้จริงเห็นแจ้งนั้นอันนั้นเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีใครสามารถที่จะรู้เห็นกับพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์ออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดาแล้วธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นพระองค์จึงมาพิจารณาดูตามภาษาของชาวโลกว่าสิ่งที่พระองค์รู้ในพระไทยนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เอาภาษามนุษย์ทั้งหลายนั้นมาสมมติบัญญัต สิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นทําไมจึงเอาภาษาของมนุษย์ทั้งหลายมาบัญญัติสิ่งที่รู้ที่เห็นก็เพราะพระองค์จะเทศให้มนุษย์ฟังถ้าไม่เอาภาษามนุษย์มาบัญญัติเรียกชื่อธรรมะที่พระองค์รู้พระองค์เห็นเอาภาษาของพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นมาพูดตามภาษาของพระองค์องเดียวผูดที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะไปรู้ได้อย่างไร อันนี้แหละคือข้อเท็จจริงของธรรมะที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ